และเราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขาเพื่อที่จะได้ชี้แนะทางนำที่ถูกต้องตามคำสั่งของเราในเมื่อพวกเขามีความอดทนและพวกเขาเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเรา แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันิีามะในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน อย่างไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทําลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาไปหลายศตวรรษโดยที่พวกเขาพวกปฏิเสธชาวมักกะได้ไปพบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลาย และพวกเขายังไม่เชื่อฟังอีกหรือพวกเขามีเห็นดอกหรือว่าเราได้น้ำไหลลงสู่แผ่นดินที่แห้งแลงแล้วด้วยน้ำนั้น เราได้พืชผลงอกเงยออกมาเพื่อประสุสัตว์ของพวกเขาและตัวของพวกเขาเองได้กินจากมันและพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าชัยชนะนี้จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าวันแห่งชัยชนะนั้นการศรัทธาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่อำานวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยและพวกเขาจะไม่ถูกยืดเวลาให้ออกไป ดังนั้นจงผินหลังออกห่างออกจากพวกเขาเสียเถิดและจงคอยดูแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดู